นอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลาจากกิเลสตัรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันวันนี้นะ <c oughs> วันนี้ก็ธรร ม, มาภาพ ห, าหลวงพ่อจารั น, นทักขายาโนก็ บวชที่วัดสังฆทานนนทบรุรีนะแล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่นะแล้วก็อยู่เชียงใหม่ก็อยู่อำเภอแม่วางวัดหลวงคุ้บินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> อยู่ที่นั่นก็ยี่สิบหกยีสิบเจ็ดปีนะแล้วก็อยู่ที่อื่นมาบ้างบวชมาก็ 37, สามสิบเจ็ดพรรษาะ วันนี้ก็จะได้อธิบายเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทีนี้การอธิบายของการประพฤติปฏิบัตินี้ก็สมัยนี้ก็พระครูบาอาจารย์ก็แสดงทาต่างๆนาๆนากันอันนี้เราก็ต้องมาประมวล เ, เหตุการณ์ต่างๆนะว่ า, าแท้จริงแล้วคําคสอนพุทธเจ้านั้นสอนอย่างไรนะก็เป็นที่ เทียงกันเหมือนกันในวงการกรรมถานนะก็เป็นเรื่องของสมัยก่อนก็สมัยพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อยังยังมีพระชนอยู่เนี่ยทิ่สู่สง์ก็ยังเข้าใจผิดผิดถกถ ก, กได้เหมือนกันแต่เมื่อม่มีพระเจ้าอยู่พระเจ้าก็เคลียปัญหานั้นได้แต่สมัยนี้เนี่ยไม่มีพุระเจ้าแล้วหลังจากพระเจ้าเปรติพานแล้วสง์ก็แตกกันเป็นนิการต่างๆมากมายเพราะความเห็นต่างกันแล้ว ทีนี้เราอยู่ในคนรุ่นหลังอนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยเราจะทำยังไงใหป้ปฏิบัติไม่ผิดนะปฏิบัติแล้วให้ถูกต้องเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะเราก็เอากิเลสของเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดเป็นอย่างดีเลยนะก็ะ เ, เหมือนเราเป็นคนป่วยเราจะวัดความวัดความสามารถของหมอ ว่าหมอคนไหนจะดีเนาะเนี่ยเราก็เอาป่วยของเราในวัดเราไปรักษาหมอคนไหนที่ไม่หายก็หมอนั้นก็ไม่ดีใช่ไหล่ะถ้าหมอไหนเราหายเออนั่นแหละ ด, ดีอย่างนี้ก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราก็เอากิเลสของเราวัดนะว่าถ้าเราปฏิบัติสำนักไห น, นกิเลสเราหมดค่อยๆหมดลงหมดรงหมดลงเนี่ย เราก็ถือว่านั่นแหละถูกต้องถ้าทําแล้วไม่หมดเนี่ยทำไมก็ไม่ถูกหรือไม่ล่ะอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้ว่ากิเลสของพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นยังไงบางคนยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรกิเลสเป็นตัวอย่างไรนะกิเลสของเราทุกคนเนี่ยก็คือความคิดนี่เองนะคนที่คิดไม่หยุดเนี่ยคือกิเลสทั้งนั้นเลยนะทีนี้คนที่หมดกิเลสนี่เป็นยังไง คนที่ไม่ได้คิดอะไร <c oughs> ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจิตไม่มีนะจิตมีอยู่แต่จิตนั้นไม่คิดอะไร <c oughs> แล้วบางคนก็ยังถามว่าการที่ไม่คิดอะไรนั้นล้วจะทำอะไรถูกเพราะคนเราประเมินว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยต้องใช้จิตคิดมันมีมันมีเอ่อมันมีความคือคือ คือทุกคนเข้าใจว่าเวลาเราคิดอะไรต้องจิตคิดก่อนแล้วค่อยทำถ้าคนไม่คิดเนี่ยมันจะทำอะไรผูกเพราะอะไรเพราะเราเอาตัวเราเองวัดแต่ไม่รู้หรอกว่ามันมีชนิดหนึ่งว่าพระยาเจ้าเนี่ยทำแบบไม่ต้องคิดไม่ใช่ทำคิดแต่ไม่มีจิตออกนอกมันมีความคิดนั้นอยู่นะฉะนั้นท่านใช้ความคิดฉะนั้นนี่ยทางาน คิดแต่คนเราคนเลาเนี่ยเราคิดปุ๊บจิตต้องออกนอกลหละออกไปคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ละอันนี้เขาเรียกว่าความคิดชั้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชั้นปุถุชนชนะแต่พระยเจ้าเนี่ยท่านไม่มีจิตออกนอกแต่ท่านคิดได้คิดได้แต่จิตไม่ออกนอกในย่ากที่สุดเลยเหมือนน้าที่กระเพื่อมอยู่ในขวดแต่ไม่ออกจากขวดนะเพราเราปิดฝาประนึดไแล้ว ความคิดชนิดนั้นเนี่ยเป็นความคิดของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าเน่ไม่คิดพร่ำเพื่อเหมือนเราเวลาท่านจะคิดสิ่งใดเนี่ยท่านต้องสั่งคิดแล้วก็เวลาเลิกคิดก็หยุดเลยถ้าไม่สั่งไม่มีการคิดได้เลยคือจิตนั้นต้องรอคำสั่งก่อนถ้าเราสั่งคิดก็คิดแต่คิดไม่มีจิตออกนอกนะแต่ถ้าเราบอกสั่งหยุดก็หยุดเลยถ้าเราไม่สั่งจิตนั้นจะไม่ทาอะไรเลย มั่นหมายถึงจิตอยู่ในกํา ม, มือแล้วท่านใช้ความคิดนั้นเนี่บริหารงานแต่บางคนอาจจะเข้าใจว่าคนไม่คิดเนี่ยทํางานถูกไหมตะมาว่าถูกกว่าคนคิดอีกเพราะมันแม่นยํากว่าเพราะจิตเราไม่พั่มเพื่อจิตเราไม่ได้คิดมั่วจิตเราคอนโทรลได้หมดเลยสั่งหยุดก็หยุดสั่งคิดก็คิดสั่งให้ไปซ้ายไปขวาได้หมดเลยเพราะจิตอยู่ในกํา ม, มือแต่เราเนี่ยไม่กําไม่อยู่ในกํา ม, มือ สั่งหยุดก็ไม่หยุดสังคิดดีคิดชั่วชั่วเลยสั่งให้เวลานั่งสมาธิเราจะสั่งจิตเราไหมให้หยุดเดี๋ยวนี้ได้ฮอให้ให้ให้ามความคิดทั้งหมดนะไม่ให้คิดนะมันฟังที่ไหนเรามันไม่ฟังเราหรอกเพราะอะไรเพราะจิตไม่อยู่ในอำนาจไม่อยู่ในกำมือเราทีนี้เราเนี่ยมาเข้าใจตรงที่ว่า ม า, มาเรียนรู้คำสอนพระเจ้าก็คือทั้งสมาธิสซึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าคำว่าสมาธิเนี่ยธรรมาก็อธิบายมาตลอดว่ามีมาก่อนพทะเจ้าแล้วแต่สบายแต่พระเจ้าเนี่ยจะเป็นสมาธิอีกระดับหนึ่งซึ่งสมาธิเหนือสมาธิซึ่งคนพุทธเราไม่เข้าใจหรืกว่าเข้าสมาทำสมาธิเข้าสมาธิได้ก็คิดว่าเป็นคำสอนพระเจ้าแล้วยัง ยังไม่ใช่นะเราเห็นไหมพระเจ้าในเจ็ดขวบก็ได้สมาธิแล้วทำสมาธิกับอาลาบทุกดาบทก็สูงสุดแล้วแต่พรธเจ้ายังไม่อิ่มเลยยังไม่ได้เป็นพรธเจ้าเลยท่านขาดอะไรละ่ะเพราะจิตมันหยุดชั่วคราวไงหลายคนก็เคยฝึกสมาธิมาใช่ไหมละ่ะเวลาจิตเรานิ่งได้เนี่ยมันก็นิ่งได้อยู่นะแล้วก็มีความสุขด้วยนะแต่มันนิ่งชั่วขณะไเหมือนพระยาเจ้าท่านนิ่งถาวรเลย ท่านนิ่งถาวรเลยไม่ใช่นิ่งแบบผั้วขาวอยู่นั้นทำไมเรานิ่งชั่วขาวเพราะเรามีกิเลสอยู่นะแต่ท่านทําไมนิ่งถาวรท่านไม่มีกิเลสแสดงว่ากิเลสก็คือจิตออกนะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิเนี่ยเราก็จะบอกตัวเองว่าตอนนี้ไปขอให้จิตเรานิ่งนะอย่าคิดอะไรนะถ้ามันบอกหยุดมันก็นิ่งได้ถ้าบอกมันไม่ฟังนิ่งไม่ได้หรอกส่วนมากจะไม่ค่อยฟังยังไงละ่ะ จมากจะหยุดไม่ได้แล้วก็คำสอนมีแค่นี้เหรอไม่ใช่คำสอนมีมากกว่านี้นะแต่ทำไมวัดอื่นเขาสอนกันอย่างนี้ล่ะเพราะว่าสอนพื้นฐานไงพื้นฐานก่อนที่จะเรียนรู้อะไรเนี่ยท่านก็สอนหรึ่งนี้ก่อนแต่ไปต่อยอดเราเองแต่ยอดไม่เคยพูดสักทีว่าตรงไหนทำไมก็เลยเราให้เราไม่รู้ไงดังนั้นตันนี้จะมาก็จะพูดถึงเรื่องของสมาธิยิ่งกว่าสมาธิก็คือสมาธิถาวร เราทําแล้วจบครั้งเดียวเลยก็นะคือจบแล้วเนี่ยนิ่งยันตายเลยไม่มีการกลับไม่ไม่มีการกลับมาฟุง้งฟุ้งหรือคิดอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างเก่าแล้วนะอันนี้ก็คือความความเป็นสมาธิอันยิ่งของพระเจ้าเนี่ยซึ่งจะมีเฉพาะพระเจ้าปรากฏขึ้นในโลกเท่านั้นอันนี้แหละก็เรียกว่าสมาธิเนี่ยที่จะมาพูดถึงเรื่องหมักนั่นเองนะฮะ น, นี่ทํายังไง จะให้มันให้เรานี้เรียนรู้มากเอยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันมีอย่างนี้ว่าเวลาเราทําสมาธินะเราก็บอกตัวเองว่าอ่ตอนนี้ไปนะอดีตอนาคตอะไรก็แล้วแต่หยุดไว้ทั้งหมดให้เรานิ่งบ้าเรานิ่งนิ่งได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่จิตที่จะคุมได้หรือจะคุยมันรู้เรื่องนะถ้านิ่งได้เราก็พบความสงบแล้วความสงบนั้นก็นําความสุขมาให้ โบราณว่าที่บอกว่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็นิ่งได้ชั่วขละระยะหนึ่งแต่ก็สบายใจลนะนี่นี่คือชาวบ้านนะเขาก็ถรือว่านิ่งได้ห้านาทีสิบนาทีเขาก็ถือว่าสบายใจเพราะว่าเขาวุ่นวายมาทั้งวันแต่สำหรับนักบวชเนี่ยอย่างตมาอย่างพระเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่พอชีวิตทั้งชีวิตจะมาห้านาทีจะมาเยียวยาชีวิตเรามันไม่พอหรอก เราต้องนิ่ง24เลยมันถึงจะความเป็นพระจึงจะเป็นบริบูรณ์ชาวบ้านเขาเป็นชาวบ้านเขานิ่งแค่นั้นเขาก็สบายเขาเป็นชาวบ้านเขาอยู่ในกิเลสอยู่เขาอยู่ยังคลองเรือนอยู่เขาก็นิ่งแค่นั้นก็มากสําหรับเขาแต่พระไม่ได้พระมันน้อยไปนะความนิ่งแค่นั้นเหมือนหยดน้ําในกระทะแดงๆมันจะไปพอเย็นได้อย่างไงนะฉะนั้นการนิ่งถาวรเนี่ยก็คือการทําลายกิเลส กิเลสคืออะไรกิเลสคือจิตที่ส่งไปข้างนอกทั้งหมดเลยส่งไปเนี่ยคิดถึงเรื่องชอบเนี่ยเรียกว่าลาคะคิดถึงเรื่องไม่ชอบไม่พอใจเรียกว่าโทสะคิดไปแล้วเนี่ยชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่เรียกว่าโมหะแปลว่าหลงทั้งหมดเลยเหมามวลเลยว่าคิดออกนอ ก, นอกทั้งหมดเป็นกิเลสฉะนั้นเวลาวั น, ว, น, ว, นวันหนึ่งเราถึงออกนอกและสมาธิเราเนี่ยเป็นสมาธิโลกี เวลาเรานั่งสมาธิกันนิ่งลงไปวเวลาออกมาก็ไปเที่ยวอีกแล้วนะระหว่างสมาธิกับเที่ยวเที่ยวกับสมาธิเอา้าวันนี้เที่ยวทั้งวันนั้นจิตเหนื่อยเหลือเกินเอามานั่งสมาธิตอนเย็นหน่อยให้มันนิ่งสักหน่อยกลายว่าสมาธิด้วยแล้วก็เที่ยวโดยเที่ยวนั่นคือโลกีนะนั่นคือโลกก็เรียกว่าสมาธิโลกีไแต่พระเจ้าพระรพละหันไม่เป็น ไม่ใช่อย่างนั้นเวลาท่านนิ่งกันนิ่งเข้าไปในสมาธิลึกเนะเข้าสมาบัติไปเลยเข้านิโรธไปเลยเ ข, เข้าสมาธิเข้าฌานไปเลยแล้วออกมาก็อยู่กับตัวเอง ต, ตัวเองกับสมาธิสมาธิกับตัวเองไม่มีคนอุ่นแจมเลยเพราะอะไรเพราะเห็นตัวเองแต่เราทุกคนไม่เห็นตัวเองทำไมเราไม่ฝึกมาก็าไม่เห็นหรอก ถ้าฝึกจะนั่งสมาธิหนู ด, ดูแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้ดูดร่างกายเลยจะไปเห็นได้ยังไงแต่นี่ทำไมเขาเห็นนะก็ฝึกมาเนี่ยฝึกอะไรฝึกสติปาัาสีฝึกมากมาสติปัญสีหรือมรรคนี่เป็นยังไงฝึกให้จิตท่องเดี่ยวอยู่ในร่างกายนี้ให้เห็นแจ้ง เราไม่ได้ฝึกตรงนี้มาฝึกแตะไปที่ไหนก็นั่งแต่สมาธินั่งสมาธิดูแต่จิตดูแต่อารมณ์นี่เดียวมันไม่ได้ตรงนี้หรอกจนจึงว่าเราเป็นสมาธิโลกีจิ้นลิ่งชั่วข่าวเท่านั้นทีนี้คนที่ฝึกตรงนี้มาเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรก็หมายถึงว่าท่านฝึกอยู่ในองค์มรรคและมีความเพียรอยู่สี่ประการนะก็เรียกว่าความเพียรชอบ มนึงเราจะต้องตัดภาพคนอื่นเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครเลยในโลกนี้เหมือนเราตายจากโลกเลยนี่คือข้อที่หนึ่งเราจะต้องเลิกการคิดทั้งหมดไม่ให้คิดถึงใครเราจะข่มใจของเราไว้สมมุติว่าพระเจ้านะบวชออกจากกรุงกบิลพัทมานั่งใต้ต้นสีมาโพธิคิดถึงทิมพาคิดถึงลาหุนแล้วพระเจ้าจะตัดสู่ไหมไม่เลยหรอก ไม่ได้เหมือนพระเจ้าไม่มีใครเลยเหมือนไม่มีกลุก่งกระบินละพัดเลยไม่มีพิมพาลาหุนเลยเหมือนขาดมันม่เช่ง่ายนะนะฉะนั้นจึงว่าความเตรียมข้อที่หนึ่งก็สอบตกแล้วเรายากจริงๆนะแต่ต้องทำไม่ทำแล้วเราพ้นไม่ได้ เวลาพระบวชมาท่านบอกว่าให้เธอเอาจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังนะเกสาโลมานะขาทันตเจโหนี่ที่เป็นนี่เป็นที่โคจรสําหรับเธอทั้งหลังเธออย่าโคจรในนอกเหนือนั้นนั่นบรรชาบ้านชาวบ้านมันคิดถึงคนอื่นแต่เธอต้องคิดถึงตัวเองเธอจะเป็นพระได้ด้วยวิธีนี้นะพระเจ้าคิดถึงแต่ร่างกายไม่ได้คิดถึงพิมพาราหุนเลยนะ ตัดสรูเสร็จก็ยังไม่กลับอีกอยู่อีกนานปีนะยังกว่าจะกลับกรุงเบินภัทไม่ได้คิดเลยนะแล้วกลจบกลับกรุงเบินภัทนั้นหลายวันแลนะยังไ ป, ไ ม, ไ, ปไม่ไปหาพิมพาเลยนะจนพระเจ้าวเดนพระเจ้าสุโธรนะเนี่ยต้องอลาธนาไปหาพิมพาหน่อยเพราะพิมพาอกจะแตกแล้วนะทํำไมมาทั้งนานแล้ว ย, ยังไม่เข้าไปพบนะพระเจ้าไม่ไม่ใช่คนที่จะ เราก็เหมือนกันต้องทำตามท่านเลยว่าความเพียรก้อที่หนึ่งเราต้องตัดจิตของเราไม่ให้คิดถึงไข่เราจะทำความเพียรทั้ง24ชั่วโมงเลยไม่เดยนั่งเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงและ22ชั่วโมงจะไปอยู่ไหนใช้ไม่ได้นั่นสมาธิชั่วข่าวแต่ชาวบ้านพอได้อยู่แต่พระไม่ได้หรอกมันน้อย แต่ม น, น้อยนะนี่เราเอาสมาธิพระมาพูดนะสมาธิของพระอริย เ, เจ้ามาพูดแต่ก็ต้องเป็นอย่างนี้บางคนระดับกันนะเราสมัครเล่นแต่ท่านอาชีพท่านจะมาสมัครเล่นเราไม่ได้ท่านเป็นนักบวชอาชีพท่านก็ต้องทําอาชีพดิเราสมัครเล่นนั่งเย็นช้าเท่าไหร่ก็พอได้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็แล้วไปนะแต่พระไม่ได้เพราะความอยู่รอดถ้าพระไม่ทําอย่างนี้อยู่ไม่รอดก็ต้องสึกพระจิตมันไป นะฮนั้นจึงว่าจิตต้องเป็นหนึ่งเดียวห้ามเป็นสองนะที น, นี้ <c oughs> ทําไมเราต้องห้ามจิตของเราไปให้ไม่ให้คิดถึงคนอื่นเพราะคิดถึงคนอื่นแล้วลาคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดเราอยากจะละลาคะโทสะโมหะไม่ใช่หรือถ้าจะละก็ต้องละผ้าเา้าที่ละคิดถึงเขาสิใช่ไหมหละ่ะ นั่นคือการละกิเลสหมายถึงละความคิดทั้งหมดนั่นแหละนี่คือความเพียรข้อที่หนึ่งต้องตัดจิตของเราไม่ให้คิดถึงใครความเพียรข้อที่สองเราจะนำจิตของเรามาพิจารณาตัวเรามองให้เราเห็นมองให้เราเห็นตัวเองในโลกนี้นะเรามองได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งเดียวเท่านั้นที่มองไม่ได้มองไม่เห็นคือตัวเราเอง เชื่อไหมลองลับตารู้สิแล้วก็นึกถึงตัวเองที่ว่าเราเห็นตัวเองไหมไม่เห็นได้แต่รู้รู้นั้นไม่ใช่เห็นนะรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้สึกตัวเราเราอยู่ในยาบทไหนอันนั้นคือรู้ไม่ใช่เห็นเห็นก็คือเห็นรู้ก็คือรู้นะทำไมเรามีตัวรู้เพราะตัวรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติของจิตที่มีอยู่แล้วจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติของมันเองคือตัวรู้กับตัวเห็น ตัวรู้เนี่ยอยู่กับตัวเองตัวเห็นไปอยู่กับคนอื่นในเวลาเดี๋ยวแวะไปเห็นคนโน้นแวะไปเห็นคนนี้แวะไปเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะทีนี้เราเนี่ยมีแต่ตัวรู้ไม่มีตัวเห็นเท่ากับคนอะไรคนตาบอดคนตาบอดมีตัวรู้ไหมมีตัวเห็นมีไหมไม่มีฉะนั้นคนตาบอดเนี่ยเมื่อไม่ตายยังไม่ตายเขาก็มีตัวรู้รักษาอยู่ เขาถึงไม่ตายไงคนเราทุกคนไม่ตายก็เพราะมีตัวรู้อยู่แต่ตัวเห็นไปอยู่กับคนอื่นหมดไปอยู่กับโลกหมดเลยดังนั้นมรรคเนี่ยหรือว่าการปฏิบัติขอพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยจะต้องย้ายตัวเห็นมาอยู่ที่ตัวเองให้ได้อันนี้ก็คือว่าย้ายมาอยู่กับตัวเองใช่ไทั้งรู้ทั้งเห็นให้ได้นั่นเอง เราจะต้องมีการย้ายมาก็ต้องดึงจิตของเราเนี่ยมาจากคนอื่นแล้วก็มาดูตัวเราตอนนี้เราดูตัวเราที่แรกมองไม่เห็นเนี่ยเราก็ต้องเห็นด้วยสมมติก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะธรรมชาติจิตของเราเนี่ยสามารถจะจินตนาการอะไรก็ได้จินตนาการเรื่อง น, อน้นเรื่องนี้เรายังจินตนาการได้เลยเนะช่นว่าเราจะ อนาคตของเรานะจะจินตนาการว่าเราจะต้องทําธุรกิจนนทําธุรกิจนี้เราจะต้องมีเงินอย่างนั้นเราต้องซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรมันมันคิดของมันได้ใช่ไหมจินตนาการนี่ยมันเป็นอยู่แล้วเขาเรียกว่าจินตนาการหรือว่าเสัญเจตนาหรือปรุงแต่งเนี่ยมันได้อยู่แล้วอันนี้เราก็เลยมาเจนตนาการตัวเองเพราะว่าธรรมชาติจินตนาการมันมีอยู่แล้ว Salesforce. <kişi> เราก็มาจินตนาการตัวเองว่าตัวเองของเรามีอะไรมีตับมีไตมีไส <c oughs> ้มีภุมิแล้วก็จิตเดินอยู่ในร่างกายของเราว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยอยู่เอูในร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะน้อยใหญ่อย่างไรให้จิตขคนเรานั้นเดินอยู่ในอาการสามสิบสองของเราเนี่ยเดินไปแล้วก็ใส่ความรู้สึกไปด้วยว่าจิตเราอยู่แขนนะอยู่ลึกเข้าไปในแขนเนี่ยมีกระดูกมีเส้นเอ็นรุดไปอยู่ดูลำไส้นะดูตับดูไตเอาความรู้สึกใส่ไปด้วย ทอย่างเงี้ยแล้วก็จินตนาการไปด้วยว่าเรามีรูปพันธสัญญานอย่างนั้นแล้วก็นึดตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราตายเนี่ยเขาจะเอาเราไปเผาไฟกันเนึกไฟเผาตัวเองวันหนึ่งเราจะเข้าโรงพยาบาลเราจะต้องผ่าตัดเนี่ยเขาจะแหวกท้องเราอ่าควักอานุ น, นมาซ่อมควักอันนี้มาตัดมามา เราต้องผ่าตัดแน่นอนนบาคนผ่าตัดมาลกี่เที่ยวเราต้องสมมติกราผ่าลงไปมีตับมีไตมีไส้มีพุงโอ้มีอุจจร ะ, ะปัสสวะมีอาหารเก่าอาหารใหม่ทาอย่างนี้นึกเอาแล้วก็ใส่ความรู้สึกไปด้วยเหมือนเราเป็นจริงๆ เหมือนเหมือนผ่าก็เหมือนเจ็บเจ็บแสบแสบอยู่เหมือนบางครั้งเราเนี่ยเน่าอาจจะเป็นหนอนเหมือนตัวหนอนนี่กำลังไตลุกดิก๊กลุกติก๊เหมือนเหมือนรู้สึกได้นะทำอย่างนั้นเนีคือคือเรื่องของเราจะให้จิตอยู่กับตัวเองนั่นเองเพราะว่าพาระลรหันทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนั้นกันนะแต่ไปรัตไปว่าไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครสอนเรื่องนี้นะฉะนั้นเราก็ยังเข้าถึงพุทธไม่ถึงพุทธ เราเป็นคนพุทธแต่ไม่ถึงแก่นได้แดกกระพี้ไปเปลือกไปตัว น, นั้นเองออันนี้เคลื่อกสมาธิอันยิ่งต่อมาเมื่อเราทําอย่างนี้อย่างนี้นานๆข้านานเข้าเนี่ยเราจะทําเห็นตัวเองด้วยสมมุติเนี่ยประมาณสักสามสี่ปนะีขนาดทำทั้งวันทั้งคืนเดินก็ทํานั่งก็ทํานอนก็ทํายืนก็ทําทําไมเราไม่ทํานั่งอย่างเดี๋ยวนั่งเดียเด๋ยวไม่ไหวหลงมื่อยนะเรานั่งได้ก็ไม่นานเราจะต้องทําทุกอย่างหแล้วก็ไม่เกี่ยวกับนั่ง เพราะมันเกี่ยวกับจิตคนเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอยาบนะจิตมันจะคิดทุกอย่างน่ยไม่คิดหมดอลยแม้แต่นั่งนะบางคนนั่งตัวตรงดิ้งเนี่ยดูภายนอกเหมือนโอ่น่าจะมีสมาธิเปล่าไหนนี่วุ่นไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะเราดูภายนอกเนี่ยมันเหมือนจะนัดจะจ ะ, จะเป็นจะนิ่งแต่ข้างในไม่ไ ม, ไมีนิ่งสักคนหรอกฉะนั้นถึงว่าไม่เอาเอยาบทข้างนอกเป็นประมาณนะไม่ประมาณ เราจะเอาอยาบทข้างในเป็นประมาณข้างในก็คือจิตสมมติว่าคนหนึ่งนั่งตัวตรงดิง้งนั่งสมาธิอย่างดีเลยนะแต่จิตฟุ้งขไปสารพัดนะแล้วอีกคนนึงนอนแล้วก็นึกตัวเองเนะีเป็นศพนอนกำลังเน่าอยู่เนี่ยแล้วคนที่สามมาเห็นเนี่ยจะว่าใครดีจะว่าคนนั่งดีหรือคนนอนดีเมามักจะด่าคนนอนนั่นแหละมานอนทำไมคนนั่งกันเนี่ย เห็นไหแต่คนนอนตั้งแตสมาธินะคนนั่งไม่ได้นะนี่คือขยบบดมันหลอกเพราะนั้นการทำอะไรในเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาขยาบบดเป็นเกณฑ์เขาเอาภายในเป็นเกณฑ์นะภายในเนี่ยต้องดูกับตัวเองเท่านั้นจะนั่งจะยืนจะนอนทางทำทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราต้องทำทั้งวันทั้งคืนเพราะจิตเรามีเวลาคิดทั้งวันทั้งคืนเราต้องอุดมันให้หมดเลย วันหนึ่งคิด24ชั่วโมงไปทํำ2ชั่วโมงแล้ว22ไม่ทําไม่มีความเจริญหรอกอย่างน้อยต้องทําเกินครึ่งวันหนึ่ง24ต้องเกิน12ขึ้นไปช่างชาวบ้านทํำมาค่อยได้หรอกว่าไม่มีเวลาทั้งเพศนักบวชถึงได้เกิดขึ้นไยเพราะว่าเอาเวลาไปทําตรงนี้ไงฉะนั้นจึงว่าเพตนักบวชจึงเป็นเพศที่รองรับนะพุทธเจ้าเนี่ยเห็น โยมมาโทษทั้งสี่เห็นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสมณะจึงได้บอกออกบวชไม่งั้นรู้จัาก็ไม่ต้องบวชอยู่กรุงอยู่เมรอพัทธก็เป็นผู้เจ้าด้วยเป็นกษัตริย์ไปด้วยสองตำแหน่งเลยแต่ามันทำไม่ได้นะแต่นี่เราพูดให้ฟังนะโยมก็ต้องคิดเอาเองว่าเราอยู่กับคารก็ทําได้เท่าที่ทําแต่พระเนี่ยท่านไม่ได้ท่านต้องทํำ24ชั่วโมงเขาจิตมาคิดทั้งวันทั้งคืนเลยเราต้องตามให้มันหมดเลยอุดให้มันหมดเล ย, อ, เลยอุดมาให้รั่ว เมืเ่อไปอย่างนี้แล้วความเพียงข้อที่สองก็จะสร้างความเห็นตัวเองขึ้นมาความเพียงข้อที่สามคือสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วสร้างอุบายขึ้นมาแล้วรักษาภาพนั้นไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่เลยกะว่าในชีวิตนี้เราจะอยู่กับตัวเองสักทีดูแต่คนอื่นวุ่นวายเหลือเกินทําสมาธิก็ น, นิ่งอยู่หน่อยก็ไปหาคนอื่นอีกแล้วมันก็เป็นสมาธิโลกีอยู่นั่นเองไม่เป็นอะไรเลยละกีเล ก, ก็ไม่ได้เราจะอยู่กับตัวเอง นะเดินไปก็เหมือนเราเป็นศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีอย่างเนี้ยเรียกว่าการทําสมาธิอยู่กับตัวเองความเพียรข้อที่สามก็คือเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วยังไม่พอความเพียรข้อที่สี่ปิดหูปิดตาปิดอเยตนะให้หมดเลยเหมือนพระปิดตานะเราเคยเห็นพระปิดตาพระปิดทาวารมนั่นแหละทำแบบนั้นเลยนี่คือนักสู้อาชีพถือพระ อันนี้เราเอาความเป็นพระมาพูดนะว่าพระต้องทำอย่างนี้เพราะเราพูดถึงรื่นผ่านนี่ก็ต้องเอาความเพียรที่สูงอย่างนี้แหละนิดๆอย่างนี้แต่เขาเรียกว่าสมาธิยิ่งกว่าสมาธิมันไม่ใช่สมาธิตรมาดาที่เราทำกัน มันจะไปพ้นพุกได้ยังไงสมาธิดังนั้นเขาเรียกว่าสมาธิพื้นฐานระมาที่ชาวบ้านมันก็ดูแลแค่ชาวบ้านนั่นเองนะสมาธิพระนีไไนะ่ไม่ได้นะไม่ได้มันน้อยไปเมืเ่อไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยจิตเราที่มืดนั่นแหะตาเราบอดเนี่ยต่อมาก็ตาจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือตรงนี้แหละ ต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองด้วยอุบายอย่างนี้ห้าเปอร์เซ็นสิบเอร์ซ็นยี่สิเปอร์ซ็นสามสิบเปอร์เซ็นวันหนึ่งสี่สเอร์ซ็นห้าสิเอร์ซ็นเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อวันว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่กับตัวกี่เปอร์เซ็นต์ใหม่ๆเนห้าเอร์ซนเอร์็นสามเปอร์ซ็ตนั้นน่น้องนั้นไม่ได้อยู่หรอกเอาไม่อยู่นะก็สู้ไปต่อมาขยับขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นาเสิบเปอร์เซ็นตรึ่งก่อเน ถึงจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานก็คือหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปถึงจะเป็นพระโสดาบันดวงตาจะเปิดขึ้นเลยดวงตาในนะจะเปิดขึ้นเราเห็นตัวเองจริงๆเลยเห็นตับไตเส้นพุงจริงๆเห็นไม่ใช่เห็นร่างเนา่าร่างอืด น, นะเห็นร่างสดๆของเราเลยร่างที่แฉจริงของเราเห็นแล้วก็ค้นหาตัวเองว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเราเคยใช้ชื่อใช้สรพนามแทนตัวเองบ้างเราชื่อนั้นชื่อนี้เออ่ เราใช้ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าเราของเราเนี่ยคำว่าเราอยู่ตรงไหนปรากฏว่าเราอยู่ที่สมองไหมสมองก็บอกที่นี่ไม่มีนะเราอยู่ในหัวใจไหมนะหัวใจก็บอกที่นี่ไม่มีไม่มีเาราดูตับไหมไม่มีเราหมดทั้งล่างไม่มีเรากให้เป็นของร่างเปล่าเราไม่มีในที่นี้ที่นี่ไม่มีเราเป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นที่เราเกิดมา แต่ความเข้าใจของทุกคนว่านี่คือเราก็คือร่างกายนี้ความรู้สึกอันนี้มันฝังลึกอยู่ในสายเลือดในจิตใจของเราแต่เราไปเห็นจริงๆแล้วกลับไม่มีมันเป็นการเป็นการพลิกความเข้าใจใหม่อะจะได้ว่าความเข้าใจเก่าใช่ไม่ได้เขาเรียกว่าความเข้าใจเก่านั้นความเห็นผิดนะความเข้าใจใหม่นันคือความเห็นถูกสมมตทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราไม่มี ของของเราก็ไม่มีของของเราก็หมายถึงสิ่งที่รอบตัวเนี่ยบ้านของเรารถของเราสามีภรรยาของเราการบัญญัติว่าเรามีเนี่ยขอบรญการบัญญัติของเราก็มีขึ้นมาเมื่อบัญญัติของเรามีจิตก็วิ่งไปหาสิ่งเหล่านั้นนั่นคือเป็นที่มาของจิตที่คิดไม่หยุดตอนนี้เราจะค้นหาว่าจิตคิดไม่หยุดเพราะมาจากสาเหตุใดบัดนี้เจอแล้วมาจากคําว่าเราตัวเดียวนี่เองเขาเรียกว่าเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็ ความจริงก็เปิดขึ้นมาธรรมะจากสู่ก็เกิดขึ้นดวงตาเห็นธรรมก็ปรากฏเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่ของเราจิตที่ออกนอกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราเมื่อเราไม่มีเขาก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกไหนไม่มีเราจะคิดไปทําไมให้โง่จิตหยุดได้แล้วเราคิดนี่ยง้อหมดเลยนะเนี่ยจึงรู้ความโง่ของตัวเองว่าหลงคิดมาตั้งนานให้แท้จริงแล้วความคิดนั่นคืออวิชชา มันมีความรู้อย่างนี้ขึ้นมาก่อนไม่รู้อย่างนี้นี่เพราะไม่เคยเห็นตัวเองเมื่อเห็นตัวเองแล้วก็ค้นหาตัวเองปรากฏว่าตัวเองเป็นของว่างเปล่าจึงละสากายดิฐิได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเลิกการคิดถึงคนอื่นได้แล้วคิดถึงคอื่นผิดหมดเลยเป็นอวิชชาทั้งสิน้นเป็นความหลงนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้พระโสดาบันจึงไม่มีจิตออกนอกก็เป็นที่มาของจิตไม่ออกนอกนี่นไง ออกไปก็คือโห่เลยนั่นคือบุรุชนนี่คือพยาเจ้ากลายเป็นว่าวันวันหนึ่งอาณาเขตของจิตแค่หัวเท้าเองยี่สิบี่ชั่วโมงได้ทั้งวันทั้งคืนและตลอดชีวิตเลยนะคือการฝึกตรงนี้เนี่ยฝึกครั้งหนึ่งได้แล้วได้หมดเลยตลอดเลยไม่ต้องฝึกอีกมันทําแล้วจบไงแต่เราทําไม่จบเลยทำมากี่ปีก็ไม่เคยจบเพราะมันวนอยู่ที่เดิมนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย ทำให้เราละากรารยนิธิละวิจิกิจฉาละสินพัฒตรประมา마ทจิตของพระโสดาบันไม่ออกแน่นอนแล้วตายขณะนั้นน่ยไม่เกินเจดชาติต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนนะเพราะมันใกล้แล้วนะต่อมาเนี่ยถ้าท่านยังไม่ตายก็พิจารณาตัวตัวเองต่อไปจนไปถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต่ำสิบเปอร์เซ็นตก็จะเป็นพระสะกิท้าขามีจนถึงเห็นตัวเองเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยเป็นอนาคามีเลย เมื่อตัวเองเห็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตเชื่อไหมว่าภาพเราชัดที่สุดในโลกภาพเดียวภาพคนอื่นนึกไม่ได้เลยเพราะเราตัดทิ้งหมดแล้วพอคําคเพียงสีตประการความเพียงข้อที่หนึ่งเราตัดคนอื่นทิ้งไงความเพียงข้อที่สองเราจะสร้างภาพเราขึ้นมาตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วความเพียงข้อที่สามรักษาภาพเราไว้ให้เป็นครื่ อ, อยู่เราอูกับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตเลย ความเพียรข้อที่สี่ปิดหูปิดตาคือจิตไม่ให้ออกเลยเหมือนเราปิดผนึกขวดไม่ให้น้ำออกจากภาชนะได้จึงเป็นที่มาของจิตไม่ออกกายเว่านิ่งถาวรเลยตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นได้แต่เราเนี่ยตัวอยู่นี่จิตอยู่โน้นตัวอยู่โน้นจิตอยู่นี่นนนนไปคนละทิศละทางนี่คือปุรุชนี่คืออริยเจา้าต่างกันนะ เมื่อตัวเองเห็นตัวเองร้อเปอร์เซนแล้วก็ค้นหาตัวเองว่าตัวเองยินดีอะไรในร่างนี้เมื่อก่อนเรายินดีหญิงบ้างหญิงยินดีชายบ้างเรายินดีเนื้อหนังของเขากับของเขาแต่ดูเนื้อหนังของเราได้น่ายินดีไหมปรากฏว่าตัวเองก็เห็นเนื้อหนงังตัวเองก็โอ้เบื่อได้ามีแต่เลือดมีแต่เนื้อมันเห็นหมดเลยนะความเห็นไม่เคยดับเลยนะ ไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะเห็นแล้วพผู้นี้ก็หายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเห็นแล้วเห็นเลยแล้วจะไม่มีการดับเลยตลอดชีวิตคือการเห็นธรรมมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็เห็นตัวเองทั้งวันเมื่อวานก็เห็นตัวเองทั้งวันวันนี้ก็เห็นตัวเองทั้งวันพรุ่งนี้ก็เห็นตัวเองทั้งวันเดือนหน้าก็เห็นทั้งเดือนปีหน้าก็เห็นทั้งปีสิบปีข้างหน้าก็เห็นทั้งสิบปีร้อยปีก็เห็นร้อยปีตายคาภาพตัวเองเลย มันไม่ได้เสื่อมไปไหนเพราะเรามาให้ออกเลยแล้วจิตก็ไม่ดื้อแล้วหายแล้วหายดื้อหมดแล้วแล้วก็บงังอยู่ในกํามือแล้วนี่คือการชนะจิตนะฉะนั้นจะนั่งสมาธิไม่นั่งไม่เกี่ยวเลยจิตหนึ่งเดียวเสมอเพราะตัวเราเนี่ยดูไหนก็อยู่กับตัวเองไม่อยู่กับคนอื่นเลยไม่มีคนอื่นว่าคนที่สองไม่มีเพราะเราละละกิเลสแล้วถ้าเรานึกถึงคนที่สองเราก็มีกิเลสอยู่ เราไม่นึกก็ไม่หนีแล้วก็เมื่อตัวเองรักคนอื่นเนี่ยรักหญิงหญิงรักชายเนี่ยรักเนื้อหนังของเขาดูตัวเนื้อหนังของเราสิน่ารักไหมป ร, กรากฏว่าเห็นเนื้อหนังตัวเองก็น่าเบื่อหน่ายที่สุดเลยการทาให้เราเบื่อหน่ายเขาไปด้วยหญิงก็เริ่มเบื่อชายชายก็เริ่มเบื่อหญิงราคะก็หมดไปไม่รู้จะเอาเป็นราคะไปทําไมเราก็เบื่อตัวเองอยู่แล้วก็เลยไม่อยากจะเอาใครมาเป็นดูใกล้ตัวเองอีกแล้ว ราคะหมดไปโทสะหมดไปโมหะหมดไปเหตุอันใดที่จะไปคิดถึงคนอื่นก็จบกันลงไปใจก็ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะไปคิดถึงอะไรได้เพราะไม่มีอะไรที่จะคิดแล้วเพราะมันหมดแล้วนะเพราะตัวเองก็เบื่อตัวเองแล้วก็เบื่อโลกเบื่อโลกก็เบื่อทุกอย่างหญิงก็เบื่อชายชายก็เบื่อหญิงจิตก็เลยยอมรับอันนี้เ้าเรียกว่านิ่งถาวร น, นะ นิ่งถาวรคนนั้นจะเป็นพระนาคามีเวลาตายปุ๊บเนี่ยจะไม่กลับมาเป็นมนุษย์และเทวดาจะอยู่ที่พร ม, มโลกเพราะมนุษย์เทวดายังมีกามอยู่มาเกิดแต่ท่านไม่มีกามจะมาเกิดกับเขาได้ยังไงนะแต่ถ้ายังไม่ตายทำต่อไปอีกนะหลังจากนั้นแล้วทําอะไรต่อละ่ะทําสมาธิฉานอย่างที่เรามานั่งกันเนี่ยพรนะพเจ้าก็ทำครั้งสุดท้ายที่ใต้ต้นสี่มหาโพธิ์นะ ทำสมาธิอีกรอบหนึ่งครั้งก่อนทําก็อาลาอาลาแล้บททุ ก, กดาบทนะหลังจากนั้นแล้วก็เลิกแล้วมาทรมานกายทรมานกายแล้วก็เลิกทรมานกายแล้วมาเจอมรรคอันนี้ไล่ลําลดับให้ฟังนะมาเจอมรมครคว่ามรรคแล้วมรวมครมคก็เละอบรมมรรคเต้นถึงพระอนาคามีแสดงว่าตอนที่ลอยถาดนางสุชาดานะี่ยตรมาว่าพระเจ้าเป็นอนาคามีแล้วนะ ท่านประเมินภายในของท่านแล้วว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยต้องบรรลุแน่นอนเพราะประเมินแล้วกิจเราไม่มีดนดนดีดดดร้ายในโลกกิจเราทำลายความเป็นหญิงเป็นชายได้แล้วไม่ช e ้าไม่นานนี่หรอกเราจะบรรลุแล้วก็เลยเสี่ยงทายดูเพิ่นมีถาดไงนางธุศฎาเอาเอาข้าววัตถุปยาตไปก็เลยถาดไปล้างแล้วก็ลอยนา้าดูอธิษฐานดูว่า ถ้าเราจะบรรลุเร็วไม่ไม่ช้านี้เนี่ยขอให้ถาดนี่ยลอยทวนน้าลอยทวนกระแสก็ลอยบางคนบอกว่าถ้าดูอย่างนี้ก็ลอยตั้งแต่แรกที่บวชที่แรกก็ลอยเลยจะได้บรรลุเร็วๆมันไม่ใช้ามันต้องประเมินภายในก่อนนะเราปลูกมะม่วงเนี่ยมะม่วงลยายําไยพุดชาอะไรนี่ก็ต้องประเมินก่อนว่ามันจะสุกเมื่ อ, อไหร่ไม่ใช่ว่าออกลูกแล้วก็เออ่ไม่ออกลูกก็จะ เอาลงแล้วมันก็จะดิบอยู่นั่นเองมันก็ไม่สุขตัวเพราะประเมินเหตุการณ์หมดแล้วว่าจะบรรลุอยู่แล้วถึงไม่ลอยก็บรรลุอยู่แล้วคืนนั้นนะไม่ลอยแต่ลอยนี่ก็เพียงแต่นะเป็นแค่อสักขีพยานเท่านั้นเองนะผมไม่ลอยก็บรรลุอยู่ดีแล้วก็คืนนั้นก็ทําเรื่องของฌาน พราะการพิจารณาตัวเองจบแล้วเนี่ยเห็นแจ้งวันวันหนึ่งคือปุรุชนคนทั่ไปเนี่ยมันจะกลับด้านกันกับผลที่เป็นพญาเจ้านะกลับด้านกันเพราะอะไรเพราะเดินทางคนละเส้นเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยวันวันหนึ่งคิดแต่คนอื่นเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องอยู่ของใจเราเรา เ, ราเอาเขามาอยู่ในใจเราเสมอเราเกิดมาเราก็ทําอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมีตามีหูก็ต้องไปสิไปหาเขา ตาหูก็เก็บเกี่ยวทุกอย่างมาเลยมาไว้ที่ใจหมดเลยมันก็เลยว่าวันวันหนึ่งไปแต่อยู่กับเรื่องคนอื่นหมดเลยไม่อยู่กับตัวเองเพราะเดินเส้นนั้นนเขาเรียกว่าเส้นทางโลกแต่พระเจ้าเนี่ยเวลาพระบวมาปุ๊บเนี่ยท่านให้อยู่กับตัวเองก็เลยเดินทางอีกเส้นหนึ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขามันก็เลยทําให้ผลไม่เหมือนกันนะพระพระเนี่ยนอนวันหนึ่งที่จิตอยู่แค่หัวเท้าเองไม่อยู่กับใครอยู่กับตัวเอง ก็เลยทำให้คนทั้งสองนี้เดินทางคนละเส้นผลออกมาก็คนละเรื่องฉะนั้นก็เลยว่าผลออกมาก็คือว่าวันหนึง่งททุชนมีแต่คนอื่นเต็มหัวใจไม่มีตัวเองแต่พระยาเจ้าเนี่ยวันหนึงน่งมีแต่ตัวเองไม่มีคนอื่นเพราะมันคนมันทางมันบอกอยู่แล้วว่าคนละเส้ น, นทางนี้แหละเขาเรียกว่ามัดไงที่อัตมาบอกว่ามัดซึ่งเราทําสมาธิกันนะ่ะไม่ได้ทําทางเส้นนี้เลยทําแต่สมาธิธรรมดามันไม่รอดครับ คนไหนที่เชียสมาธิจังเทียไปเหอะไม่รอดหรอกเพราะสมาธินะี่ยพระเจ้าก็ทำมาเราจะไปเอาแค่นั้นไม่ไ ม, ไม้พอถ้าเป็นชาวบ้านก็อาจจะได้นะอาจจะพอแต่พระไม่พอหรอกนะอี น, นี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราพิจารณาตัวเองจบแล้วเห็นตัวเองแจ้งแล้วกลายเป็นว่าพระยาจ้าวันๆหนึ่งเนะี่ยภาพตัวเองชัดที่สุดในโลกมีภาพเดียวภาพนอกนั้นไม่มี เราไม่รับคนทุกคนอยู่ในจิตเราเลยมีแต่ภาพเราแล้วเราจะห่ออยู่กับภาพเราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะถึงเราตอนตายจะอย่างนั้นเลยตั้งแต่วันนี้ไปถึงบอกว่าเดือนหน้าปีหน้าก็มีแต่ตัวเองตัวเองอยู่กับตัวเองตลอดแล้วก็ไม่เคยดับเลยภาพนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่เคยดับวันนึงแล้วจิตเราเนี่ยเห็นแต่ภาพเราคองโลกเลย ภาพเราทั้นั้นที่ของโลกในวนันี้เราเหนือโลกแล้วฉะนั้นเราเคลียคนอื่นออกสําเร็จและสร้างภาพเราได้สําเร็จภาพเราปรากฏนั้นนะเขาเรียกว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วภาพเรายังมืด อ, อยู่นึกไม่ออกมองไม่เห็นดวงตาเราบอดอยู่เรายัางไม่มีดวงตาเห็นธรรมเลยสมาธินั่นเหลอไม่ใช่ดวงตาสมาธิไม่ได้เห็นตัวเองเห็นแต่ความว่างแล้วก็เห็นแต่เรื่องอย่างอื่นไปหมดเลยนอกตัวหมดเลย เห็นนรกบางเห็นสวรรค์บ้างเห็นผีบ้างเห็นวิญญาณบ้างเห็นไปเรื่องอย่างนั้นเลยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นธรรมะอะไรเห็นอย่างนั้นน่ะไม่ได้เป็นธรรมะอะไรนะมันเป็นเรื่องแต่เห็นโลกไปเพราะผีก็ดีอะไรวิญญาณก็ดีก็โลเท่านั้นแหละสวรรค์นรกก็โลกท่านั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องของธรรมะอะไรนะมันเป็นความรู้เสริมเท่านั้นเองทีนี้พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยท่านก็ไปทําสมาธิฌาน อย่างที่เราทํากันที่หลังอีทีหนึ่งนะฉะนั้นทูตเจ้าเนี่ยท่านลอยถาดแล้วเนี่ยท่านรู้ว่าท่านจะบรรลุเพราะว่าภายในก็บอกอยู่แล้วว่าใกล้จะบรรลุแล้วทุกคนจะประเมินตัวเองได้ว่าเราใกล้แล้วนะเราใกล้ละเพราะข้างใ น, นมันสว่างสวไปหมดเลยรู้ได้คนเดียวตัวเองสว่างไปหมดเหมือนแสงออกทั้งตัวเนี่ยเหมือนมีออร่าเต็มไปหมดอลยนะแต่คนอื่นไม่เห็นหรอกตามนุษย์ก็ไม่เห็นแต่พวกอมนุษย์เขาเห็น เราเห็นนะสว่างมันรู้แต่เขาเขาอ่านค่าไม่ได้นะเทวดาก็เห็นพระเห็นอะไรอ้ยสว่างจังเลยเนี่ยแต่เขาอ่านค่าไม่ได้นะรู้แต่สว่างแต่ค่าของความสว่างนั้นไม่ออกไม่ออกไม่รู้เพราะว่าธรรมของเขาไม่ถึงแต่เขาเห็นแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรนะเขาเห็นความอัศจรรย์อยู่แต่มนุษย์ไม่เห็นหรอกก็เห็นเรื่องหนังธรรมดาเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของตาเนื้อเราก็เห็นได้แค่เนื้อนั่นแหละนะ เรื่องนี้เป็นอย่างนี้แล้วถือว่าการพิจารณาตัวจบแล้วความเป็นหญิงเป็นชายจบแล้วแล้วเราก็ค่อยทําสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแต่ทําม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเรานั่งสมาธิทีไรจะยากทุกทีเลยายากทาไมยากกตอนที่เราสู้กันนะสู้ระหว่างจิตจะไปหาคนอื่นมึงจิตเราจะดึงมาอยู่กับตัวเองอยู่กับมลมหายใจอยู่กับดำบริกรรมสู้กันไปสู้กันมานะ่นเขาเรียกว่าทํายาก ทำไปทำมาสู้ไม่ได้เออพลังสู้ใหม่ชวนมากแล้วจะสู้ไม่ใครได้นะอันนี้เขาเรียกว่าทําสมาธิยากแต่สําหรับคนที่เห็นตัวเองแจ้งแล้วมันง่ายเพราะอะไรเพราะวันวันมันไม่มีคนอื่นเลยที่เป็นสตรเราไม่มีแล้วเขาเรียกว่าฆ่านิวรน์ห้าได้แล้วเราจะเข้าสมาธิพลิกฝ่ามือเลยเข้าได้เลยนะเข้าสมาธิปฐมฌานรุติฌานจนถึงอรูปฌาน นะใครจะบอกว่าเราไม่มีฌานไม่จริงหรอกมีหมดเ่นะแล้วเวลาเข้าฌานก็เข้าไปเลยจนถึงสัญญาเวทยิตนั่นเองเขาเข้าเข า, เขาโลกีเนะี่ยเขาเข้าได้แปดรูปฌานที่แปดแต่เราเข้าได้เก้าเขามีอภิญญาห้าอย่างแต่เรามีหกมันเหนือหมดเลยเพราะาสมาธิเหนือสมาธิไง พมือเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทําสมาธิได้ง่ายเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปออกมาก็อยู่กับตัวเองฉะนั้นพระยะเจ้ามีสองที่เองเวลาว่างท่านก็เข้าฌานไปออกมาก็อยู่กับตัวเองไม่มีคนอื่นแจมเลยแต่สมาธิโรากินเนี่ยเวลาเข้าก็เข้าไปออกมาโน่นไปหาคนอื่นนี่แหละเพราะอะไรคนอื่นเพราะคนอื่นเรามีกิเลสอยู่ต้องไปหาเขาสิเพราะเราไม่เอากิเลสออกแต่ทําไมท่านไม่ไปอ่ะท่านมันไม่มีนี่ท่านไม่มีกิเลสนี่ ถ้าเจริญมันเกดจากการเบื่อหน่ายตัวเองเองแต่เราไม่ไม่เห็นมันไม่เบื่อหน่ายหรอกอันนี้คือความแตกต่างนะะัสมาธิจะสอนไม่ค่อยเหมือนใครที่เขาสอนกันนะเขาสอนแต่สมาธิสมาธิเออเรื่องของท่านไปเราสอนเรื่องมรรคเพราะอะไเพราะเรายังอยู่ในาศาสนาของพรธเจ้าพระเจ้าล่วงลับแต่ผันก็จริงแต่ยังอยู่ในการสมัยของท่านอยู่ห้าพันปีนี่มรรคก็ยังมีอยู่ เพราะอะไรแทนท่านน่ะท่านเอาพระธรรมนี่ยแทนท่านอท่านบทตอนที่ท่านบาินีพ่านท่านบอกว่าแล้วใครจะเป็นองค์แทนท่านน่ะท่านบอกไม่แจ้งตั้งใครเพราะพระธรรมที่เราตัดไว้น่ะเป็นองค์ศาสดาแทนท่านอยู่แล้วฉะนั้นเราเกิดมาทุกนี้เนี่ยเราไปเอาทําไมแค่สมาธิจะเอามักไม่ดีกว่าเลยแต่ถ้าถ้าปฎิสัสนาแล้วค่อยออกสมาธิก็ได้เพราะมักมันไม่มีใครรู้จักแล้วนะฉะนั้นจึงว่า สมาดึางเชียร์เรื่องมรที่ไม่เหมือนใครถ้ามรและทำแล้วมันมันดีตรงไหนดีตรงที่จิตเราไม่ออกนอกฉะนั้นเราจะคิดอะไรก็คิดอยู่ในข้างในนั่นแหละถ้าทําไปได้โดยที่จิตเราไม่ออกนอกฉะนั้นวันวันมีแต่ภาพเราชัดที่สุดในโลกแจง้งสว่างสวัยไม่เคยดับเลยอันนี้คือคือสมาธิโลกุตระนะไม่ใช่โลกียะนะ เราว่างก็เข้าฌานไปออกมาก็อยู่กับตัวเองเราว่างก็เข้าฌานออกมาตัวเองไม่ใชคนอื่นเบื่อเบื่อที่จะคิดถึงใครเพราะเราเองก็เบื่อตัวเองอยู่แล้วก็เห็นหมดเลยดับแต่ใช่พงแล้วความเห็นเราไม่เคยดับเลย แ, แม้แต่นาทีหนึ่งก็ไม่เคยมีวิหนึ่งก็ไม่มีมันจะเห็นพืชเลยมันจะเห็นชั่วเป็นช่วงช่วงไม่ใช่นะไม่ใช่ว่านึกเห็นก็เห็นนึกไม่เห็นก็หายไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้น ่ออย่างนั้นนึกเห็นก็เห็นนึกไม่นึกเห็นก็เห็นมันเป็นการเห็นไม่มีการปิดเนี่ยมันเปิดอยู่เสมอนั่นการเรียกว่าดวงตามันเปิดแล้วไงมันไม่มีการบอดอีกแล้วเมืเ่อไปอย่างนี้แหละจึงว่าจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแล้วก็หนึ่งเดียวแล้วเวล า, เวล า, ว า, า เ, เวลาเราจะตายเนี่ยเวลาเราจะตายเนี่ยต้องทิ้งสมาธิให้หมดเลยนะ เพราะอะไรสมาธิเนี่ยถ้าไม่ทิ้งเนี่ยก่อนที่จะดับจิตเนี่ยเราไปดูไปดูพระพุทธเจ้านะตอนทีน่นันจะปรินิพานน่ยนะท่านจะเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานแล้วก็ออกเลยไม่อยู่เลยถ้าอยู่ละ่ะอยู่จะไปเกิดชุดถาวาะ เระาะทานมันเป็นของพรมไหมพรมสุดทาวารฉะนั้นท่านต้องออกมาซะแล้วก็ตายขาดร่างกายเราจะดูความตายของเราว่าเมือกสุดท้ายเราจะตายเป็นยังไงสุดท้ายก็เมือกสุดท้ายก็มาถึงรูปเลยแล้วภาพเราก็จะหายวาับเลยตายแล้วก็ขาดกันตอนไม่ตายก็เห็นกันอยู่ตอนตายก็หายกันคิดเราก็บอกว่าอำลาแล้วนะข้าอยู่กับเจ้าข้าก็เบื่อเจ้าเหลือเกินเน่าเหม็นไปหมดเลย ตอนนี้ข้ากับเจ้าขาดกันแล้วด้วยความตายตอนนี้ไปข้าไม่เอาเจ้าอีกแล้วใครมามาเกิดข้าเบื่อเนื้อหนังนิพานนิพานอย่างเดียวแต่จิตมันไม่ได้ตายนะจิตยังมีอยู่ฉะนั้นจึงว่านิพานเป็นอย่างนี้นิพานเป็นก็คือเห็นอยู่กับตัวเองแต่ก่อนไม่คิดถึงใครไม่เอาใครมาคิดนั่นคือนิพานเป็นแต่เหลือตัวเองไว้แต่นิพานตายก็ทิ้งตัวเองอีกทีคนอื่นทิ้งมานานแล้วตัวเองทิ้งที่หลัง นั่นคือนิพพานเป็นแต่นิพพานตายน่ะนิพพานเป็นกับนิพพานตายพอๆกันนี่แหละเขาเรียกว่านิพพานของพระพุทธเจ้าฉะนั้นนิพพานไม่ใช่รู้ตอนตายตอนเป็นก็รู้แล้วน่ะตอนเป็นถ้าทําได้ก็คือจิตหนึ่งเดียวโอ้ยมีความสุขไม่รู้จะหาความพุทกตรงไหนเพราะจิตเราหมดการการคิดแล้วเวลาเราทําอะไรทําแบบรู้น่ะ สักแต่รู้สักแต่เห็นทำจะคิดอะไรก็สั่งคิดก็คิดสั่งหยุดก็หยุดคิดก็ไม่มีกิจออกนอกไม่ออกนอกหรอกเหมือนเขาออกนอกมันเป็นชั้นปุถุชนอริยชนไม่ออกเหมือนน้ำอยู่ในขวดเนี่ยเราก็เพื่อมก็มันก็อยู่เครื่อนในขวดแต่ไม่ออกขวดมันไม่เปียกข้างนอกเลยแต่เราเนี่ยกระเพิ่มมด้วยอะไรออกปากขนออกปากขวดไปเลย ก็เาชาะไปเลยเพราะเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ปิดไม่ปิดเท่าไม่ปิดทาวาลไม่ปิดอเยตนะนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าได้จะมาได้มาพูดถึงเรื่องของมรรคของการปฏิบัติที่ไม่เหมือนใครที่เขาไม่ค่อยสอนกันแต่ตถาถ้าต้องสอนเพราะว่าเรายังอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าเราจะเอากระพี้ทาไมแก่นยังมีอยู่นะดัะนั้นจึงว่า อมาแนะนําวันนี้นะเวลามันน้อยเนาะย่อไปย่อมาจะหมดเวลาแล้วเนี่ยย่อแล้วนะขว่าสมาชิทานศีลกันเล็กจะคึกกี่้านาทีแล้วจะครึ่งชั่วโมงก็ตืงนนิพพานจนได้นะตืงนนิพพานจะได้เข้าใจไหมช่วงนี้เหลือเวลาอยู่นิดหนึ่งที่เทศน์นี่ยเข้าใจไหมอาชีพคนเราหยุดได้นะหยุดภาวะวอนเลยนะมีการตายแล้วแล้วเลิกทําเลยความเพียรไม่ต้องทําละ ผลอันนั้นก็กลายเป็นผลที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องการตรงนี้นะ่ะถ้าพระเป็นพระก็ไม่สึกอ่ะนี่สึกเพื่ออะไรจิตยังไม่ไปเลยนะแต่พระสึกไปก็จิตมั น, ปนไปยอ่ะนะไปมันก็ปวดก็ต้องไปดนะทํำไมสึดละ่ะก็ไม่ได้ละราคนะหน่ะไม่ได้ล่าภาพคนอื่นอนะ่ะก็ไปสิพระก็เสียหายไปเยอะเลยเราดิ้นข่าวเสมอพระไปอีกแล้วสีกาไปอีกแล้ว ก็คือตรงนี้ทำแต่สมาธิโลคีไม่ทําโลกุตระนี่ท่านเห็นตัวเองต้องเบื่อตัวเองไปก่อนที่จะไปเบื่อคนอื่นได้ยังไงเบื่อตัวเองได้ก็เบื่อคนอื่นได้ถ้าเบื่อตัวเองไม่ได้นี่ไม่สางหรอกังนั้นหมอก็เบื่อกันหมดแล้วจับปลาเล่ก็เบื่อกันหมดแล้วเห็นเบื่อเลยหมอก็ยังจ้าชู้อยู่เลยนะจับปลาเล่ก็ยังมีลูกมีหลานเต็มไปหมดเลยเพราะมันเห็นคนอื่นมันเบื่อไม่ได้เห็นตัวเองเบื่อได้เบื่อได้ละละได้ ฉะนั้นจิตของเราเลิกเลยเลิกเที่ยวเลยเลิกท้าบอนจริงๆไม่กลับไปอีกเลยนี่คือการใช้ชนะนะโอ้โหเรามานึกดูว่าสองพันกว่าปียังมีอยู่หรยออย่างนี้พี่อยูอย่ฉะนั้นเราไม่เจอพระเจ้าก็ไม่เป็อะไรเลยก็พระธรรมนะนะี่แหองค์แทนของท่านอยู่แล้วเราไม่ว้าเวเลยเราไม่เยบเหงาเลยเราไม่เราอบอุ่นนะ ผมไม่เจอพระเจ้าก็อบอุ่นเพราะว่าอะไรเพร่อทำที่ปรากฏขึ้นมามันมันเป็นความอบอุ่นของเราเราเหมือนพระเจ้าเนี่ยอยู่ใกล้เราเลยความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะยี่สองพันกว่าปียังมีธรรมชาตินี่เหรอมีชนะธรรมชาตินี่ได้เลยหยุดโลกได้อ่ะจิตนี่ใครๆจะหยุดไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่หรอกแค่หยุดแค่ ช้างกระดิกงูงวยงูแลบลิ้นเนี่ยก็ยากแล้วอันนี้หยุดถาวรได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะอันนี้คือการที่ะมาณมาพูดในที่นี้เนี่ยก็ย่นย่ อ, นยอเอานาะเพราะเวลาเราน้ไม้นะก็พูดให้เข้าใจความความหมายกระชับเพื่อให้เห็นว่าศาสนาเรามีดีนะแต่ที่เราสอนกันเนี่ยมันกระพี้มันเปือกมันแก่นมันคือตรงนี้นะแต่นี้อันนี้ก็เป็นสําหรับนักบวดนะ แต่เราต้องพูดสําหรับนักบวชก่อนเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องพูดแก่นเพราะว่าเราโยมถึงโยมจะเป็นชาวบ้านแต่ว่าเราต้องสอนเรื่องถึงแก่นก่อนแต่โยมจะไปไม่ไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องนิพพานว่าพระเจ้าสอนทุกอย่างมีหมดเลยที่สูจนได้เลยจิตของคนหยุดจริงๆฉะนั้นที่จิตเราไม่หยุดก็ะพราะจิตเรามีภาพเขาอยู่แลยไม่ได้ออกข้อผาเขาออกเลยอ่ะ แ้าทำไมพระเจ้าเจ้าท่านเอาออกหน่ยจิตเราก็เลยมีภาพเหล่านะเอออนี้ก็จะเลยเวลาแล้วเนาะขอยุติการแสดงธรรมแค่นี้นะขอทุกคนมีความสุขความใจเลินรู้แจ้งแห่งธรรมท่านหลายทุกคนทุกท่านเทนะถู